กังตกพรำๆแต่ว่าข้างในนี้นะแห้งแล้วถึงแม้ข้างนอกฝนอาจจะตกหนักอาจจะมีพายุนะแต่ว่าข้างในนี้ก็ยังมั่นใจได้ว่ายังแห้งฝนเข้ามาไม่ถึงมันก็เหมือนกับชีวิตของเราถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกจะบุญวายสับสนผู้คนจะเต็มไปด้วย ความวุ่นวายบรรยากาศบ้านเมืองจะร้อนระอุผู้คนจะกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจปัญหาราคาน้ำมันแต่ว่าเราสามารถที่จะมีใจที่สงบได้ก็เหมือนกับที่เราอยู่ในศาลานี้นะฝนจะตกแรงแค่ไหนข้างนอกนี้เราก็ยังอยู่สบายไม่มีใครเปรียกสักคน ที่ไม่เปียกได้ก็เพราะว่าเรามีหลังคาดีที่มีหลังคาดีก็เพราะว่ามีการหมั่นตรวจตราซ่อมแซมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่หมั่นดูแลหลังคารั่วเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ปล่อยให้มันรั่วในสุดฝนมันก็เข้ามาได้ครส่วนใหา่ก็เป็นอย่างนี้นะก็คือว่าเขาก็ปล่อยให้จิตใจของเขาเนี่ยไร้การดูแล นั้นเหตุการณ์ต่างๆภายนอกความร้อนแรงความโกรธความเกลียดความกังวลความสับสนมันก็เลยซึมแผ่เข้ามาในใจของเขาแล้วเขาก็พลอยทุกข์ไปด้วยแดดร้อนข้างนอกใจก็ทุกข์อากาศหนาวข้างนอกใจก็ทุกข์ผู้คนต่อว่าส่งเสียงดังใจก็ทุกข์ เป็นใจที่รั่วอะไรต่ออะไรก็เข้ามากระทบได้ง่ายรวมทั้งเวลากายากายมันป่วยใจก็พลอยป่วยหรือเป็นทุกข์ไปด้วยก็เพราะว่าไม่ได้มั่นดูแลรักษาใจเวลาฝนมันรั่วรดเข้ามาเนี่ยถ้าเรารู้ทันเราก็เข้าไปซ่อมได้ในจำนองเดียวกันเวลากิเลสหรือว่าความทุกข์มันรั่วรดเข้ามาในใจ เราก็รู้ทันได้ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยสติคือความรู้ทันสติเป็นความรู้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เผลอไม่ไผลถ้าเราอยู่ในศาลานี้เกิดว่าฝนตกเราก็มวัวแต่ไปดูข้างนอกว่าฝนมันน่ากลัวจังเราก็ลืมไปดูตรวจสอบหลังคาน้ำมันรั่วฝนมันซึมเข้ามาเราก็ไม่รู้เพราะเรามวัวแต่ไปดูข้างนอก คือบางทีเรามัวแต่ไปทำอะไรบางอย่างอยู่ในศาลานี้อะไรเกิดขึ้นที่หลังคาฝนมันรั่วแค่ไหนตรงไหนก็ไม่รู้อันนี้เรียกว่าเผลอไม่มีสติมันก็เหมือนการใช้ชีวิตของเราชีวิตของเราเนี่ยพอเราไปเผลอไปรับรู้แต่เรื่องภายนอกเราลืมดูใจใจมันก็เป็นทุกข์ง่ายโวกของเราเนี่ยมันมีอยู่สองส่วน คือโลกภายนอกกับโลกภายในโลกภายนอกก็หมายถึงเนี่ยผู้คนแวดล้อมครอบครัวที่ทำงานสังคมประเทศชาติรวมไปถึงธรรมชาติดินฟ้าอากาศโลกภายใน ก, ก็หมายถึงโลกแห่งความคิดนึกความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจโลกภายนอกนี้เรารับรู้ด้วยอวยะห้ตา 5, ตาหูจมูกลิ้นกาย แต่โลกภายในนั้นเนี่ยไม่สามารถจะรับดูด้วยไอตนะ5ต้องอาศัยใจเข้าไปรับรู้แต่ว่าบ่อยครั้งเราก็ปล่อยให้ใจของเราเนี่ยไปรับรู้โลกภายนอกด้วยจนไม่มีอะไรที่จะมาทําหน้าที่รักษาหรือดูแลรู้เท่าทันโลกภายในมันก็ทําให้โลกภายในหรือจิตใจนั้นขาดการดูแลอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ พบมัวแต่ไปสนใจโลกภายนอกซึ่งก็สำคัญนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตับโลกภายในก็สำคัญไม่น้อยเหมือนกันมีเรื่องเล่าว่าเกี่ยวกับท่านเว่ยหลางท่านเว่ยหลางนี่ท่านเป็นสังฆปรินายกของรัฐิชาหลอเซนในประเทศจีนมีการท่านก็ได้รับนิมนไปงานฉลองของวัดแห่งหนึ่งในขณะนั้นท่านกําลังนั่งสนทนาอยู่กับผู้คนอยู่ ก็มีคนสองกลุ่มใหญ่เนี่ยตรงมาหาท่านด้วยท่าทางร้อนลนเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีพระสองรูปเนี่ยท่านก็ไปดูรงบนเสาแล้วก็เถียงกันว่าให้ธงมันไหวหรือว่าลมมันไหวทีแรกก็เถียงกันสองคนไม่ลงกันและสองคนก็กลายเป็นสองกลุ่มแล้วสองกลุ่มก็ขยายจากกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มใหญ่เถียงกันไม่ตกว่า คงมันไหวหรือลมมันไหวยิ่งเถียงก็ยิ่งเกิดความร้อนแรงสุดท้ายก็แทบจะทะเลาะวิวาทกันก็เลยมีคนมาแนะว่าให้ไปปรึกษาไปถามท่านเวรหลางว่าจริงๆใครถูกกันแน่ระหว่างฝ่ายที่บอกว่าทงไหวกับฝ่ายที่บอกว่าลมไหวก็ไปหาท่านไวรหลังอยากจะรู้คําตอบเป็นอย่างไรท่านไวรหลางบอกว่าจิตของผู้ท่านอาไหว ท่าไม่ตอบว่าคงหรือลมไหวแต่จิตต่างหางที่ไหวคือทั้งสองกลุ่มเนี่ยเขาสนใจแต่ทงหรือสนใจแต่ลมแต่ลืมดูใจของตัวจนกมาทั้งเรื่องเล็กน้อยที่ทำท่าจะกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันถ mm ้า hmm. คนเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะคือเราไปสนใจกับโลกภายนอกมากจนลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราได้แต่บนหรือกังวลว่าทาไม รัฐบาลไม่ทาอย่างโน้นทำไมกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่ลดราคาน้ำมันนะทำไมไม่ช่วยทำไมบ้านเมืองสงบทำไมไม่เลิกทะเลาะ ก, กันสักทีแต่เราลืมดูใจว่าทำไมใจเราไม่ยอมเลิกบ่นสักทีทำไมใจเราหมัวไปทุกนะกับเรื่องที่มันเป็นของคนอื่นเขานะดูโทรทัศน์ก็ทุกดูข่าวก็ทุกแล้วก็บน่นแล้วก็ว่าคนน้นคนนี้ ว่าควรทำอย่างโน้นควรทำอย่าง น, น, น, างนี้แต่ลืมดูใจว่าใจเราควรจะทำอย่างไรทำไมเราไปทุกข์กับเรื่องของคนอื่นด้วยทำไมเราต้องเอาความทุกข์หรือความสุขของเราไปฝากไว้กับคนอื่นด้วยไปฝากไว้กับโลกภายนอกด้วยในใจของเราเนี่ย ม, มันมันมักจะขาดการดูแลอยู่เสมอเพราะว่าไอตนาทั้ง5เนี่ยรับรู้ภายนอก มันก็น่าจะพอแล้วแต่ใจนี่ก็ก็ปล่อยไปทํางำหน้าที่นี้ด้วยจนลืมหน้าที่ของตัวไปหน้าที่ของตัวเนี่ก็คือการรู้เท่าทันสิ่งนี้เกิดขึ้นกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดภายในใจนี่คือหน้าที่ที่ไม่มีใครจะทำได้เดีย๋ยวนี้เราถึงรู้โลกภายนอกเยอะแต่เรื่องภายในเราไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับใจเราก็ปล่อยให้ความทุกข์มันสมในใจเรา ่อไปรับรู้โลกภายนอกแล้วก็เอาความทุกข์เอาไฟเอาความขุนข้องหมองใจเอาความกังวลเนี่ยเข้ามาสุมเข้ามากองไว้ในใจของเราทั้งๆที่รู้ว่าหรือรู้สึกว่าทำเช่นนั้นมันทุกข์นะแต่ก็ยังไม่เลิกที่จะเอาเรื่องร้ายๆเข้ามาสุมเข้ามาเผาลนจิตใจ ถ้าคนเราทำร้ายตัวเองอยู่เสมอนะด้วยใจที่พุ่งออกนอกหรือส่งออกนอกตลอดเวลาโดยที่ไม่หวนมารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราทำรายตัวเราเองก็เพราะเราเผลอเผลอส่งจิตออกนอกแล้วก็เผลอที่จะไม่รับรู้ในเรื่องของใจของเราเองังั้นการเจริญสติเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมาก การจุดสติคือการฝึกให้เรามีความรู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับกายและใจบางทีเราก็รู้นะว่าอะไรเป็นอะไรแต่เราก็อดเผลอคือลืมไม่ได้เราลืมเราลืมตัวเวลาเดินจงกรมเวลาสร้างจังหวะเวลาตามลมหายใจเราก็รู้นะว่าควรจะทำอะไรควรจะจิตมารับรู้ กับลมหายใจที่เข้าออกรับรู้อิเลียบดการเคลื่อนไหวแต่สักพักมันก็ลืมไปละมันก็ลืมไปไหนก็ลืมไปลืมเพื่อเทียบไปท้องเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตกว่าจะจําได้ว่าหรือกว่าระลึกได้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ก็เวลาผ่านไปนานแล้วเราอาจจะจําได้ดีในเรื่องต่างๆที่เป็นโลกภายนอกมากาคนเรา เราจําได้นะว่าเดี๋ยววันนี้นี่จะออกเดินทางกี่โมงเราจําได้ว่าเมื่อวานนี้เราทําอะไรบ้างเราจําได้ไปถึงว่าเมื่อทิตที่แล้วเราทําอะไรบ้างตอนเช้ากลางวันและเย็นเราทํางานอยู่และเราก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าเรานักใครไว้ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเรากําลังดูหนังอยู่ดูโทรทัศน์อยู่แล้วเราก็จําได้ว่าเราตั้งน้ําร้อนเอาไว้ อันนี้เป็นหน้าที่ของสติทั้งนั้นสติเข้ามาทํางานเพื่อทําให้เราเระลึกได้ว่าเราทําอะไรค้างไว้ความจําของเราดีมากเราจําเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนของญาติเมื่อเราจะโทรได้แต่ทั้งหมดนี้มันเป็นความจําที่เป็นเรื่องนอกตัวแต่พอเป็นเรื่องในตัวคือเรื่องกายเรื่องใจเราลืมง่ายเหลือเกินเราทำอะไรอยู่ ปรเดี๋ยวเดวก็ลืมไปแล้วว่ากําลังทําอะไรอยู่เพราะใจมันท่องเที่ยวทะเลถลายไปไกลกําลังกินข้าวอยู่เคี้ยวอยู่สักพับอ้าวไปแล้วจะลืมไปว่ากําลังทําอะไรอยู่ความจําในเรื่องเกี่ยวกับกายและใจของเราหรือการระลึกได้ในเรื่องเกี่ยวกับใจของเราที่มันสั้นมากบางทีไม่ตาจากคนประเภทหนึ่งนะมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าความจําสั้นมากมีคนอีกคนหนึ่ ง, งก็ล่าใฟังเกี่ยวกับยายของเขา ยายอยู่ต่างจังหวัดเวลายายมาเที่ยวกรุงเทพมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานนะก็พาไปกินอาหารกินอาหารยายก็ถามว่าโอ้ร้านนี้นี่เคยมานอะร้านก็บอกว่าใช่มาบ่อยสักพักก็ถามว่าแม่ไปไหนแม่ไปทํางานครับเออแล้วนี่ให้เงินหลา น, นยัง2 0,000 ื่นพอไหมหลานก็บอกยังไม่ได้ให้ครับก็ควักเงินให้พาไป5ที ยายถามเลยนี้ร้านนี่เคยมานะเแล้วแม่อยู่ไหนอ่ะเขาบอแม่ไปทํางานต่างประเทศครับเหรออ๋อแล้วให้เงินแล้วยังหลานก็บอกให้แล้วครับหาไปแคาทียายถามใหมา่ร้านนี้เคยมาแล้วยังแล้วแม่ไปไหนอ่ะออกไปต่างประเทศเลยมานี่ยายให้ให้เงินหลานได้ยังหลานแก้บอกว่ายังไม่ได้ให้ครับยายเปิดกระเป๋าเงินหายไปไหนเนี่ย คือความจําของยายเนี่ยแค่5นาทีเท่นั้นนะไม่ถึง5นาทีด้วยเดี๋ยวลืมละบางคนนี่ลืมยิ่งกว่า น, นี้นะยืมประเภทว่าผ่านไปแค่นาทีเดียวก็ลืมละไปหาหมอจิตแพทย์หมอจิตแพทย์ก็ต้องแนะนําตัวแนะนําตัวหมอจิตแพทย์ก็เข้าห้องน้ําห้องน้ํากลับมาเขาลืมไปแล้วว่าเป็นใครหมอก็ต้องแนะนําตั ว, วเขาคือใครทุกนาทีเลยเป็นรูกพ่อที่ความจําสั้นมาก แต่นี่เป็นความจําเกี่ยวเรื่องเรื่องนอกตัวแต่พวกเราเนี่ยนะในเรื่องในตัวเนี่ยเกี่ยวกับการและใจเนี่ยความจําสั้นพอกันเลยเดินจงกรมไม่ถึงนาทีไปแล้วลืมไปแล้วว่ากําลังเดินจงกรมอยู่กําลังกินข้าวเขี้ยวได้ 3-4 คําไปแล้วนี่เรียกว่าขี้ลืมนะเราจะจําได้ในเรื่องนอกตัวได้ดีความจําของเรายาวมากสามารถสาไปถึงเรื่อง เรื่องอดีตได้10บสปีเป็นความจําที่ฝังได้ลึกเรื่องกายและใจนี่ลืมเร็วมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะเพื่อที่จะฝึกให้มีความจําที่เร็วที่ไวแล้วก็นานเป็นสิ่งจําเป็นมากเพราะไม่งั้นเนี่ยใจมันก็จะไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันสถีมันจะคอยไปรับรู้แต่เรื่องนอกตัวแล้วก็ไปเอาความทุกมา เขาล่นจิตใจทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าทําแล้วทุกข์แต่ก็ยังไม่ไวายที่จะไปเก็บเอามาคิดอยู่นั่นแหละเราโกรธใครเราก็เก็บเอามาคิดคิดแล้วก็ทุกข์เสร็จแล้วสักพักก็นึกขึ้นมาได้ว่าโอ้ไปคิดถึงมันทำไมมันผ่านไปแล้วเรานอนดีกว่าไม่ถึงนาทีมันไปแล้วมันลืมไปอีกแล้วแล้วก็ไปเก็บเรื่องต่างๆมาคิดเรื่องอนาคตก็เหมือนกัน เราก็รู้ว่าเวลาคิดถึงเรื่องงานการพรุ่งนี้ใจมันก็กังวลขึ้นมาเวลานึกถึงเรื่องที่ต้องไปประชุมหรือต้องไปคุยกับลูกค้าในเรื่องสําคัญก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาหนักใจแต่สักพักนี้ก็ก็เราลุกขึ้นมาได้ว่าโอ้ไปกังวลทําไมมันยังมาไม่ถึงเลยแล้วก็แผนการเราก็เตรียมไว้แล้ว ลึกขึ้นมาได้อย่างนี้อ้าวใจก็สบายงั้นงนก็อยู่กับปัจจุบันเดินจงกรมจเจริญส ต, ติต่อไปไม่ถึง2นาทีมันไปแล้วมันลืมแล้วพอไปถึงเรื่องอนาคตคิดเรื่องอนาคตใจก็พุ่งทุก อ, อกทุกใจกว่าจำลึกขึ้นมาได้ป่ะโอ้ยเราก็เตรียมเอาไว้แล้วดีแล้วเราวางแผนเอาไว้แล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องอนาคตเราห่วงไปกังห่วงกังวลไปอะมันก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้น นะเพราะตอนนี้เราอยู่วัด้งานที่เราห่วงมันอยู่ที่สํานักงานเราลึกได้แบบนี้มันก็กลับมาอยู่กับการปฏิบัติแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปแล้วสิ่งที่เราต้องปฏิบัติคือว่าให้มีความระลึกได้ไวเราลึกได้ ไ, ว, นะเ ไ, ดไวเมื่อเราเผลอไปแล้วเมื่อเราเระลึกได้ไวเราก็จะปล่อยวางมันได้เร็วขึ้นถ้าเราเระลึกไม่ไวเนี่ยมันก็จะไปจมแล้วก็ไปยึดแล้วก็ทําความทุกข์ให้ บางทีเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะกลุ้มเราลืมไปว่าไอ้ที่เราทุกทุกๆุกเนี่ยเป็นพาอเราไปเผอไปยึดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตมีผู้หญิงคนหนึ่งแกก็มีชีวิตครอบครัวที่ผาสุกมากวันหนึ่งแกก็พบว่าสามีนี่นอกใจก็โกรธโมโหมากรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมานตัวนี้มันสูญเปล่าไปกับผู้ชายคนนี้เป็นเวลานับสิบปีโกรธ แต่ที่สุขกตัดสินใจแยกทางกันเมื่อแยกทางกันแล้วเนี่ยแกก็รู้สึกดีขึ้นก็รู้สึกอดชมตัวเองไม่ได้ว่าโอ้เราเป็นเพราะเราปฏิบัติกรรมฐานนะทำไห้เราไม่ทุกข์นานเหมือนคนอื่นเขาแล้วก็ผ่านไป 3-4 สี่เดือนแกก็เข้าคอสกรรมฐานแต่ปรากฏว่าหาความสงบไม่ได้เลยเพราะว่าพออยู่นิ่งๆเนี่ยไอ้เรื่องเก่าๆนี่ก็หวนคืนมาก็หวนไปคิดถึง เรื่องที่สามีเนี่ยทรยศหักหลังนอกใจเดินก็คิดนะนั่งก็คิดใจนี่ร้อนมากทำยังไงมันก็ไม่หลุดเป็นเวลาสองสามวันทีเดียวแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะขณะที่เดินจงกรมอยู่เนี่ยคือแกก็เอามือประสานมือไว้ข้างหน้าเวลาเดินพอประสานมือข้างหน้าเดินไปชั่วโมงเนี่ยมันเมื่อยมันเมื่อยแกก็เลยปล่อยมือ ปล่อยมือก็รู้สึกสบายหายเมือ่อยในช่วงขณะนั่งแกก็ได้คิดเลยว่าเออปล่อยมืออะไรก็หายทุกมันนั้นไอ้ตรงนี้มันก็ทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาเลยว่าโอ้ไอ้ที่เราทุกเรื่องสามีที่เป็นเพราะเราไปยึดไปผูกติดกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วพอจิตได้คิดแบบนี้มันปล่อยเลยนะมันปล่อยความคิดถึงสามีอดีตสามีคนนั้นเนี่ยทันทีเลยพร้อมๆกับขณะที่ปล่อยมือ เกิดความรู้สึกสบายกายสบายใจไปพร้อมๆกันเลยเพียงแค่ปล่อยมือทีเดียวนี้ได้คิดขึ้นมาเลยว่าโอ้เป็นเพราะเราไปยึดไม่ยอมปล่อยในเรื่องที่ผ่านไปแล้วแล้วแกก็รู้สกสบายขึ้นทันทีมาได้คิดเลยว่าโ อ, อ้ที่เราทุกนี่นั้นเพราะไปยึดไปติดเรื่องที่มันผ่านไปแล้วและคนเรากว่าที่จะเห็นตรงนี้ได้นี่มันต้องมีสตินะเพราะถ้าไม่มีสตินี่มันมันก็เผลอไปยึดไปผูกเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัว มันดูเหมือนว่าจะได้คิดนะแต่ว่ามันมันไม่ชัดจนกว่ามันจะสว่างขึ้นมาในการที่เราเผลอไม่มีสติก็ทำให้เราไปยึดอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มาทำร้ายตัวเองนะความทุกข์ถึงที่สุดแล้วก็เกิดจากความที่เราเผลอไปยึดไอ้ยึดกับเผลอนี่มันไปด้วยกันนะเหมือนกับยึดกับหลงนี่ก็ไปด้วยกันนะที่มันเผลอเพราะไม่มีสติที่มันหลงเพราะไม่มีปัญญาไม่มีสัมปชัญญะ สตัวนี้คู่กันสติคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงถ้าลืมเมื่อไหร่มันก็เผลอเมื่อนั้นแล้วเมื่อเผลอแล้วมันก็เข้าไปยึดอะไรตอนอะไรเข้ามาทําร้ายตัวเองทุวันนี้เราทําร้ายตัวเองบ่อยมากเพราะใจที่ไม่มีสติมันก็เลยปล่อยให้ความทุกนี้เข้ามาร่วดลดนะจิตใจเหมือนกับหลังคาที่มันมีรูเต็มไปหมดนะเพราะไม่รู้จักซ่อมแซมไม่รู้เท่าทัน และจิตของเราก็เลยมีปฏิกิริยาสิ่งต่างๆมากมายอะไรที่เกิดขึ้นกับโลกภายนอกเราไม่เคยมีความสงบเพราะเรามีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆมีทั้งชอบทั้งชังมีทั้งอยากได้มีทั้งอยากจะผลักไสออกไปอะไรที่ชอบก็อยากได้จิตมันดิ้นที่จะทะยานอยากเข้าไปหาอะไรที่ชังมันก็ผลักไสจิตมันก็ดิ้นอีกเหมือนกันที่จะปฏิเสธที่จะผลักสิ่งนั้นออกไปไก ล, ไกล ไอ้คนเราทุกเนี่ยเพราะไปยึดไปยึดแล้วก็ไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่รับรู้ไอ้การชอบเนี่ยมันก็เป็นการยึดในตัวอยู่แล้วเพราะชอบก็อยากได้แต่ชังเนี่ยดูเหมือนจะผลักไสนะแต่ในสุดก็กลายเป็นยึดไปได้มือเราไปถูกกลิ่นอะไรที่มันเหม็นๆเนี่ยกลิ่นน้ำปลาหรือกลิ่นจะเป็นกลิ่นขี้หมาก็ได้เราไม่ชอบเราเหม็นเราล้างมือ แต่สุดท้ายเมื่อล้างมือเสร็จแล้วก็ต้องเอามาดมยิ่งเหม็นก็ยิ่งดมนะยิ่งเหม่งก็ยิ่งดมก็ล้างมือต่อล้างเสร็จก็เอามาดมอีกมันพอๆกับลิงที่มันมือมันไปถูกกระปีลิงพอมือไปถูกกระปีนี่มันก็จะถูๆๆกับขินรูเสร็จก็จะมาดมใหม่พอมีกลิ่นก็ถูอีกรู้สึกก็มาดมใหม่มันถูอย่างนั้นจนกระทั่งนิ้วถลอกเลือดไหลใจเราก็เหมือนกันนะเราไม่ชอบสิ่งใดเนี่ย เราอยากจะผลักมันออกไปแต่ว่าเราก็ยิ่งเอามาคิดแล้ยิ่งเอามาคิดแล้วเราก็ยิ่งทุกข์คนที่เราไม่ชอบเขาพูดอะไรไปเราไม่ชอบแต่เราก็เก็บเอาเรื่องที่เขาพูดเรื่องที่เขาทานี่มาคิดมาตอกย้ําซ้ําเติมตัวเองนี่มันทำร้ายตัวเองทั้งนั้นนะเพราะใจที่ขาดสติเพราะความเผลอการจริตจิตของเราเนี่ยไปชอบกับช่างเสียงต่างเนี่ยมันก็ลงท้ายด้วยความยึดติดทั้งสิ้น แม้นะ Shift, แต่ ill, เ internet, ตมื่อวานนี้เราพูดเรื่องความตายก็คนก็ไม่ชอบเรื่องความตายหมายถึงความตายของตัวนะถ้าความตายของของคนอื่นก็อยากจะดูอยากจะรู้หนังสือผิดหนังขายดีทุกวันเนี่ยเพราะว่าคนอยากจะดูว่าความตายของคนอื่นเป็นอย่างไรโดยว่าความตายของดาราแต่ถ้าเป็นความตายของตัวนี้กลัวแต่มันก็อดคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้คิดเสร็จแล้วก็อยากจะผลักออกไปผลักออกไป จิตที่มันพยายามที่จะผลักออกไปผลักออกไปเนี่ยมันก็ยิ่งทาให้ทุกข์เพราะมันดิ้นเราไม่รู้ว่าการที่จะทาให้จิตหายดิ้นได้คือการที่รู้จักยอมรับมันพอยอมรับมันแล้วเนี่ยมันก็สงบได้การที่จะเอาชนะการที่จะทำให้จิตไม่ทุกข์ไปกับความตายเนี่ยก็คือการที่จิตสามารถจะยอมรับความตายได้ยอมรับแบบสงบความสงบมันเกิดจากการที่จิต สามารถยอมรับสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นงานที่ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลซึ่งจุดหมายยังอยู่ข้างหน้าอีกนานถ้าเรายอมรับมันได้คือยอมรับในปัจจุบันพอยอมรับในปัจจุบันแล้วจิตมันหายดินพอหายดินแล้วมันก็สงบความตายไม่น่ากลัวเพราะเหตุนี้ถ้ามีคนหนึ่งนี่แกขับรถบนทางด่วนขับด้วยความเร็วมาก ในช่วงที่มันจะช่วงเป็นช่วงโค้งเนี่ยก็พบว่าข้างหน้านี่รถติด ก, กันเป็นแพรเลยแกก็เริ่มชะลอรถขณะที่ชะลอนั่นเองมองไปทางกระจกหลังเนี่ยเห็นรถข้างหลังเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วไม่มีเบรกเลยและในฉับพันนั้นแกก็รู้ทันทีเลยว่าแกกำลังจะถูกอัดก๊อปี้เพราะรถข้างหน้านี่วิ่งเข้ามาอย่างเร็วมากในช่วงขณะนั้นเนี่ยแก เราลึกขึ้นมาเดย ว, ว่าสงสัยตายแน่แต่ที่รู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยมือก็กำแน่นเลยนะความกลัวก็ทำให้มือนี่กำพวงมาลัยแั่นแต่ก็มีสติเราลึกได้ในขนาดนั้นอย่างฉับไวทันทีเลยวา่าฉันเกรงแบบนี้ฉันเครียดแบบนี้มานานแล้วตลอดชีวิตนะถ้าฉันจะตายฉันก็คอยตายอย่างสบายก็กแล้วกันมือแกปล่อยเลยนะคลายเลยนะออกจากพวงมาลัย ด้นในช่วงขณะนั้นเองเนี่ยรถก็เข้ามาทนอย่างแรงจากข้างหลังทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่เรียกว่ายับเยินเลยแต่เว่าแกไม่ตายนะตำรวจนี่ต้องเข้ามาดึงแกออกจากรถ ด, ดูจากสภาพรถแล้วไม่น่าจะรอดได้พอายับเจินมากตำรวจก็แปลกใจแต่พอถาม ร, รายละเอียด จ, จากผู้หญิงคนนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าเนี่ยที่คุณรอดไม่ได้เพราะคุณเนี่ยไม่เกรง เพาถ้าคุณเกรงเนี่ยคุณจะรับแรงกระแทกอย่างหนักแล้วคุณก็อาจจะคอหักได้แต่แกปล่อยไงแกปล่อยที่แกปล่อยเพราะแกยอมรับได้ว่าตายแน่แต่การที่ยอมรับอย่างนั้นเนี่ยนะในช่วงขนาดหนึ่งก็เกรงกลัวแต่สติที่ออกมาทำงานทันทีก็ทำให้ปล่อยปล่อยวางได้ใล้จิตที่ยอมรับความตายเนี่ยบางทีมัน ไม่ใช่แค่ทำให้ตายสบายนะแต่ว่าอาจจะทำให้รอดตายได้ด้วยท่านพ่อรีท่านเคยพูดว่าคนเราจะพ้นตายได้ก็ต้องทำตัวเหมือนคนตายทำตัวเหมือนคนตายที่ท่านพูดอย่างนี้เพราะท่านได้ประสบการณ์เคยไปทุดงในป่าแล้วก็เจอผัวเมียคู่หนึ่งผัวเมียคู่นี้าก็เลยฟังว่าเนี่ยไปหาของป่ามาคราวหนึง่งแล้วก็กำลังหาอยู่เพลิ น, ป, ลนปรากฏว่าเจอหมีป่าตัวใหญ่เข้ามาระชิดตัว ตัวภรรยานี่ก็วิ่งหนีทันขึ้นต้นไม้ในตัวสามีเนี่ยซึ่งก็เป็นคนรุ่นแก่ๆเนี่ยหนีไม่ทันก็เลยสู้กับกับหมีแต่ยิ่งสู้ก็ยิ่งริ่งหมดแรงแล้สู้ไม่ได้เพราะมีตัวใหญ่มากแล้วก็โดนหมีมันตะปบเอาทำท่าจะแย่ละก็พอดีภรรยาซึ่งอยู่บนต้นไม้นี่ก็ตะโกนมาว่าให้แก้งทำตายแก้งทาตาย แกก็ได้สติขึ้นมาก็เลยแกล้งเป็นตายจีคือไม่ต่อสู้มันจะทำอะไรก็ทำไอหมีเนี่ยแกก็เลยลม้มลงนอนหมีเนี่มันก็พอมาตบแกแกก็นิ่งมมนก็เลยนึกว่าไม่ตายแล้วพอตายแล้วก็เลยเดินหนีไปเพรามีมไม่กินคนก็เป็นนั้นว่าคุณลุงคนนี้แกรอดได้เพราะทำตัวเหมือนคนตายก็เลยมาเล่าให้ท่านพ่อหลีฟัง ตั้งก็เลยได้เป็นคติว่า น, นี่เออคนเราจะพ้นตายได้ต้องทําตัวเป็นคนตายและลุงคนนี้นี่แกเป็นคนที่มีสตินะจากสติก็เกิดจากการที่ได้ฟังภรรยาพูดเตือนเอาไว้นะก็เลยยอมพอยอมแล้วก็เลยรอดตายไอตอนในอ น, นันเนี่ยมันก็ต้องต่อสู้กับสัญชตาตญาณของตัวเองมาเนะพราะสัญชตาตญาณคนเราเนี่ยมันต้องมันอยากจะสู้มันกลัว แต่ว่าแกก็สามารถที่จะสกดใจเอาไว้ได้ต้องมีสติมั่นคงทีเดียวที่จะกดข่มความกลัวแล้วก็ข่มร่างกายไม่ให้เคลื่อนไหวต่อสู้แต่ทําเช่นนี้ก็ทําให้รอดตายได้จะว่าไปมีนี่ก็เป็นอุปมาอุปไมยได้เหมือนกันนะเหมือนความตายหรือเหมือนกับภัยภัยที่มาถึงตัวคนเราคิดจะสู้ออกับความตายมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วมันสู้ไม่ได้ แต่พอเรายอมยอมมาเชิญกับมันนะก็กลับรอดได้เหมือนกันเพราะว่าจิตเนี่ยสงบจิตที่สงบเนี่ยบางทีมันทําให้กายสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ในทางตัวข้ามการที่ดิ้นการที่พยายามสู้เนี่ยมันกลับเป็นผลลายนะต่อกายและใจของตัวเองสมัยที่ธรรมมาอยู่วัดอมรวดีสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ย วัดอมรวนนี่ก็เป็นวัดของหลวงพ่อสุมเมธโธก็มีเหตุการณ์คราวหนึ่งมีพระที่วัดจิตวิเวกหรือชิตเทิร์สเนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรไม่ทราบร่างกายก็ทรุดลงไปตามลำดับให้ยาอะไรก็ไม่ตอบสนองเพื่อนก็มาเยี่ยมมาช่วยให้กำลังใจให้สู้ให้มีสติเอาสมาธิเข้าข่ม ท่านก็ดูเหมือนว่าจะดีสักพักเสร็จแล้วก็ซุดใหม่เพื่อนเพื่อนก็ก็คอยมาให้กำลังใจอยู่เรื่อยแต่ยิ่งให้กำลังใจก็รู้สึกว่าแย่ลงแย่ลงแย่ลงจนกทั้งวันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อสุมเมโอก็ไปเยี่ยมแล้วก็พูดอย่างนี้ว่าท่านกิติท่านชื่อกิติสารุกิติสารลท่านจะตายก็ตายได้นะวัดเน่ว่าอะไรว่าท่านร้องไห้เลยนะร้องหไห้ด้วยความลืมใจ แล้วบอกว่าหลังจากวันนั้นก็ดีวันดีคืนจนกระทั่งหายป่วยทำไมท่านหายป่วยได้นะเพราะว่าท่านรู้สึกว่าคนอนุญาตให้ตายได้แล้วแต่ก่อนเนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านตายไม่ได้เพราะการตายทําให้คนผิดหวังการตายของตัวทําให้เพื่อนเนี่ยเป็นทุกข์ก็พยายามต่อสู้ต่อสู้กับความเจ็บความป่วยใจมันไม่ยอมรับความเจ็บความป่วยไม่อยากให้เพื่อนผิดหวังแล้วก็ใจเองก็คงจะ ไม่ชอบมีปิจริยาความป่วยอยู่แล้วรู้สึกผิดที่จะต้องตายนะแต่พอหลวงพ่อสุมเมทรอบอกว่าจะตายก็ได้นะไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรก็รู้สึกมันก็ว่ายกภูเขาออกจากอกใจมันสบายคนเราบางครั้งนี่ถ้าเกิดรู้ว่าตายได้นะไม่มีไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเนี่ยบางทีไม่เพียงแต่ทำให้สงบเท่านั้นนะแต่ว่าร่างกายก็กลับฟื้นได้อันนี้เป็นเพราะว่าที่ร่างกายมันสุดเพราะมันไปยึดเอาไว้ ไปยึดว่าฉันต้องหายฉันต้องหายได้แต่เดกรรมก็พยายามผลักใส่ความเจ็บป่วยพยายามปฏิเสธแต่การปฏิเสธสิ่งที่มันอยู่ตอนหน้าเนี่ยมันก็ยิ่งทําำลายตัวเองก็มันก็ไปสู้กับหมีอ่ะยิ่งสู้กับหมีก็ยิ่งแพ้แต่พอยอมมันนะมันก็กลับถอยหนีไปได้บางทีการเผชิญกับความตายเนี่ยมันต้องฝึกใจให้ให้นิ่งให้ยอมรับมันได้ ไม่ต้องแบกบไม่ต้องยึดไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิน้นในสมัยพุทธกาลก็มีนะมีเหตุการณ์คล้ายๆกันนักกูลบิดาป่วยหนักทำท้าจะไม่รอดภรรยาคือนักกูลมันดาก็เลยบอกว่าท่านอย่าเป็นห่วงนะว่าถ้าเราตายแล้วเนี่ยเราจะดูแล ล, ลูกไม่ได้ขอยมั่นใจว่าเราจะดูแลลูกๆไดแ้แล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะว่า ว่าเราจะไปมีผู้ชายคนใหม่เราจะไม่มีแม้ท่านตายจากไปแล้วท่านจะเป็นห่วงนะว่าเราจะไม่รักษาศีลห้าเราก็จะรักษาศีลห้าอยู่ถ้าจะเป็นห่วงนะว่าเราจะในอุปธรรมดูแลพระพระทุทธอ ง, งค์และณคณะสงฆ์เราก็จะนิ ม, มนต์ท่านมาที่บ้านที่เป็นประจำพูดอย่างนี้ให้ความมั่นใจอย่างนี้จนกระทั่งนักบุญปานีิหายห่วงเพราะกลัวว่าแกฟื้นขึ้นมาเลยหายป่วยเลย และก็นึกว่านี่เป็นเรื่องเล่าเหมือนกับเป็นนิทานแต่พอฟังเรื่องท่านกิติสาโลนี่ก็เออมันก็คงใจจะเป็นจริงนะจิตของคนเรานี่มันก็แปลกพอยิ่งยึดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์มันก็ยินดินยิ่งดินก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แต่พอยอมรับทุกอย่างปล่อยวางไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกว่าต้องแบกรับภาระอะไรของใคร พอใจสบายกายก็ดีขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยใจที่พร้อมที่จะยอมรับที่เกิดขึ้นใจที่มีสติใจที่ไม่ดิน้นนะยอมรับได้ก็ทำให้นิง่ง